ไทยจะให้โอว่าเพืให้แนวความคิดกำลังพวกเราท่านทางหลายน้าหลวงปู่ไทยจะให้ความคิดพ้าหลวงพ่อให้ความคิดมาหลายวันแล้ววินอาทียอมแก่ผู้มีเกียนทุกท่านลูกหลานทุกคนนานอาจจะมาได้มากราบหลวงตาถึงที่ และก็เยียมพี่น้องญาติยมทุกท่านทุกคนด้วยเมื่อมาแต่ละครั้งนั่นน่ะเอกเครื่องหึ่งถ้าเจอดวงพ่ออินทวายท่านท่านก็ให้อัตมาให้ข้อคิดกับพี่น้องญาติยมข้อคิดตรงนี้ก็นึกอะไรไม่ได้พอาะทุกสิ่งทุกอย่าง องหลวงตาที่เป็นพอ่อเป็นแม่เรานะนะสอนพวกเราทุกเรื่องตั้งแต่ส่วนยหา่จนถึงเรื่องละเอียนสุดและในอันไหนที่อาตอมาฟังพอเข้าใจเรื่องนั้นอยากจะทบทวน คอบทวนวความจำมาจะเรียกว่าสนทนาหรือว่าให้ขอจินก็แล้วแต่จะว่ากันคือนึกถึงคำสอนขององค์หลวงตาสอนพระสอนแนนสอนญาตสอนโยอมสอนเข้าสู่ภาคปฏิบัติโดยเฉพาะ จองปฏิปทาของหลวงปู่เสาหลวงปู่มัน่นถ้าพูดถึ ง, ถงหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเมื่อไหร่ถ้าพู ด, ดนานะก็แปกแลวอกลงตาเราท่านเกิดความทราบถึงปีสี่ น, นิยาบากำเข่าน้ำตาล้งตาทัานไดไม่ใช่จะร้องไห้นะ ความทราบถึงความปีตในพระคุณนะฮนะมันเป็นกฎธรรมชาติถ้าไปเขาใหญ่วงมากบางคำตปปาลลบเรบ่งนี้แหละถ้าเกิดความทราบถึงปีตน้ำตาท่าก็ร้ายถ้าเผื่อไปเข้าใจจะเข้าใจมาทันล้อมให้ไม่ใช่นะมันเป็นกฎธรรมชาติ คงจะทราบถึงต่เว่าเออเนี่ยเกียตใจของพ่อแม่เราองค์ตาเราเถื่อนที่สุกเพรมมาะความเมตตาธรรมขององหลวงปู่มันและฉะนั้นอ่ะความเมตตาธรรมกับคนธรรมที่ถึงใจองค์ตาเราเนี่ย เกิดให้มีความศักสิปีติศักดิ์สทปีตีตรงนี้นี่เองความจริงลวองรรค์มตมาเขาจะไม่ไม่ไม่ทานดอกไม่ทนานพ่อแม่หลวงปู่มัดดอกแต่ทันโลกเศรษอันดับต้นต้นของหลวงปู่มัด หลวงปู่้าวหลวงปู่มัหลวงปู่อ่อนหลวงปูอองป่อันี้เรียกูาาุาอาจารย์ตนเนี่ยอัตมาได้โยกั่านเมื่อได้โยกัตถ์น่ะท่านเนี่ยท่านนํนนาภาคปฏิบัติสอนภาคปฏิบัติตามเยี่ยนจากของหลวงปู่ต่อหลวงปู่มันอัตมาภูมิใจ ถึงคุณธรรมความดีไม่มีก็จะมาอะไรบ้างพมใจตรงที่ว่าเราได้ทันคำสอนภาคปฏิบัติของพ่อแม่ครูอาจารย์ของพวกเราท่านสอนอยังไงนเราปฏิบัติอย่างนั้น เอาคำสอนที่ท่านสอนน่ะมาฝึกความรู้สึกทางจิตใจยกตัวอย่างท่านสอนเรื่องศิษนี่แหละท่านสอนเรื่องศิษยจะมาสิขพตตามคำต้อคัตามคำารรมกัรเแท้คําสอนของท่านน่ะ สังรวมระวังเข้าในหลักธรรมะญาณสั่วรก็เอาระวังสังวรระวังระวังระวังสติระวังอารมณ์ระวังใจระวังใจรักษาใจสังวรระวังมันเข้าหมเป็นก็หลักธรรมะญาณสั่อนคือสังวรระวังอารมณ์ความคิด ความคิดตรงนี้สามัญชนปุถุชนร้อยทั้งร้อยใจยังมีกิเลสโลภะโกดหลงใจยังมีตัณหาอยู่ความเนื้อความคิดตรงนี้นะ่ะให้ใช้ความแกลาอาศัยการฟังจากพ่อแม่ครูจาติเต่านะนะั่นน่ะเข้าใจตรงนั้น เป็นความฉลาดระวังความคิดอะไรพาจิตของเราคิดเนี่ยต้องใช้ความฉลาดตรงเด็ดนพลงที่มีในใจตัณหากามัดตัณหาภาวะตัณหาพิภาวะตัณหาตัณ ห, ห, ห, หาทั้งสามเนี่ยให้แปลเป็นภาษาเราสักหน่อยการมัดตัณหาคืออารมณเพรอารม์เพศพาจิตของเราคิด โดยจะพ อ, อนักหวดพระสงฆ์องเด่นจำจำจำแม่ขาวนางเชีเดือผู้ปฏิบัติจะยกฐานะจิตใจใเข้าสู่มาทสุผลท่านทักงสอนตรงนี้จาณะสังบนสังบนระวัง อ, อารมณ์ค่ายจิตเป็นอารมณ์ของกามตญหาอารมณ์เพศหรือเปล่าถ้ารู้ตัวปั๊บจะปั๊บเลย อารมณ์เป็นอารมณ์ของโทตะกิเลนเริ่ขึ้นมาดาบปั๊บเลยทัศ น, น์น่ะนะโลภะความโลภมันไม่มีขอบเขตเึิขึ้นมาดาบปั๊บเลยโดยเฉพาะโมหะความหลงย <c oughs> กตัวอย่างท <c oughs> ้ามกลางเีวิต ห้ามกลางผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะพ่ อ, พอแม่เราสาธุท่านยกตัวอย่างของหลวงผู่มันถ้าถ้าสององเดนเจ็บไข้ได้ป่วยสมัยท่านอ่ะไข้มาริเรียมันเยอะไข้มาริเรียมันมากม น, นะออยู่ยากันแพทย์หมออยู่ที่ไหนเยอะเจี่ยเพราะสมัยนั้นอ่ะมันไม่ไดีโรงพยาบาลแถวอยู่ใกล้อะไร ขนาดจังหวัดถึงจะมีโรงพยาบาลสมัยนั้นอำเภอจังบนัดนแล้วตอนนั้นอ่ะยาเมี่อจังหวัดแลด้วแต่นั้นจะไปหายาจากแพทย์จากหมอมาที่ไหนอ่ะร่ออาการของเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าถ้าเดนดวงไหนเจ็บไข้ได้ป่วยควรคางจากอาการดแสดงของเอพลียไข้ ถ้าควงคานดังลงปู่มันกับพ่อแม่ของเราเนี่ยพูดอยู่เคลื่อนไมาใช่เด้เออเนี่ถ้ามันควนคางเสียงดังๆนะไม่ต้องไปหายาเหือดอกเลยคางเสียงดังๆนะแล้วครับใครเห็นเอาอย่าไปอยไปหายามาให้อยไปหายามาให้ท่านตือนเนี่ยอให้มีสติสัมปัญญว่าการฝึกสมาธิคือ ถ้ามันอาศสอะไรอาศัยกับังสติอาศัยกับดังสมาธิความจงหอบหน้าใจกับลังสติกับดังใจอันนี้ส่วนหนึ่งเอส่วนหนึ่งปฏิปทาพ่อแม่ผูบาอาจารย์เราเราอยู่กับหลวงปู่วัน แบบเดียวกันท่านฝึกปฏิบัติพระสงฆ์องค์เด่นตถาญาณจบสมัยท่านน่ยฝึกทางปฏิปทาพ่อปฏิบัติปฏิบัติกันยังไงทำก็จยังไงท่านไม่ได้เป็นห่วงเรื่องเก็บไข้ได้ป่วยจนถึงกับ เริ่มสัจจะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเราอยู่กับตรงปู่วันถ้าก็ยังแยงแงพอจะปวดนะ่ะไปโรงพยาบาลถ้าเราจำไม่ลืมโรงพยาบาลยุดาหนะบา่าวเทพไปแทนที่จะพากไข้แท์หมอเราก า, านานๆนะไปแจ้กไปตรวจัวการแล้วก็ ทักยูนยที่โรงพยาบาลราชวิวัฒน์เอาไปกับพนักงานที่วันดว น, นี่วะเขาทักกลับใส่มันสมัยนั้นอาจารย์หมออวยดูแลมาเป็นวัดก็ไม่นมีอะไรมากไปก็อยูย่แบบสบายสบายภาวนาแบบสบายสบายแล้วที่นี่นึกถึงอ ปฏิปทาสอนการปฏิบัติจากพ่อแม่ของเราเนี่ยลูกต่างเราเนี่ยท่านสอนเข้มแข็งทางภาคปฏิบัติเอาจริงเอาจัางทำยังไงจะเป็นตัวอย่างที่ดีปฏิปทาภาคปฏิบัติความเข้มแข็งของจิตใจทำยังไงจิงจะแดงเึือ สันจะทมคำสอนรู้จริงตามสันจะทมคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนว่าพยาในปีทุขามจนถึงที่สุดวรดามปีทุขามอันนี้คือสันจะทมเป็นโลกภัยไข้เจ็บพอรักษาได้เอา หน้าที่ของลูกของหลานพระสงฆ์องค์เดนหน้าที่ของพระสงฆ์ขุนเจ้าหน้าที่ของแพทย์ของหมอรักษาตามอาการที่จะรักษาได้อาการที่จะรักษาได้สำหรับคุบาญญาจารย์ต้องฟังความคิดของท่าน อนุญาตจากท่านเสือเจตนาของท่านท่านมีนเจตนายัางไงส่วนเจตนาของท่านสาูุพ่อแม่เราเนี่ยเป็นปีิปราลุกตินลูกหาแพทย์ห อ, อตรงนี้เข้าใจ แต่ความรู้สึกของท่านอีกลกักษณะหนึ่งนะอย่างเครื่องช่วยหายใจท่านปฏิเสธมาหลายครั้งถ้าเราจำไม่ลืมนะท่านทำเป็นตัวอยา่างสอนพระลกูกพระหลานญาติโยมรู้เท่าใ น, นโลกภัยไข้เจ็บ อย่างหลวงปู่เพียรเนี่ยบันน้องก็หอมนะเฮ้ยใส่ลงตรงนั้งหลวงปู่เพียร น, นั่งหอมนะใส่ลงตรงนั้งถ้าเราจำไม่เดิมหลวงปู่อะไรปัญจวันย์ลงปูป่คุณจันหรือเปล่านั่นทร์ะ ท่านป่วยท่านนอนอยู่เลปวดกลางทารพ่อแม่เราเนี่ยดูไปเยียมสช่วยงาใจเฮยแต่ไหนทุกข์นะก็มาถานย่อปู้บรจาคหรอก็ธรรมาได้ละ ว่าออกแล้วแบบความเด็ดเดียวด้านจิตใจส่วนจิตใจของท่านไม่กระทบเลยนะไรเลยแล้วอ่าอยากจะถามว่าพี่น้องญาติโยมทุกท่านทุกองค์พระสงฆ์เจ้าถามค่อยๆเสียงเบาๆถามว่า ตำรวจพ่อแม่เราเนี <S <S ่ยต้องการเราเราหายใจจ้าไหนเอาเครื่องช่วยหายใจมาช่วยเราจะนอนท่านสั่งคำนี้ไหมท่านสั่งคำนี้ไหมเอาเครื่องหายใจมาช่วยมาช่วยมาช่วยเราหน่อท่านสั่งไหมเมื่อวานเราไปเราอ่านในบ้าน ท่านให้ออกนะตรงนี้เราสงสัยเนี่ยปฏิปทาท่านสอนนะเอาอย่างไรพวกเราเข้าใจ อ, อย่างไรถามว่าปรึกษาถามเฉยหรอกน้าทีของแพรของมอกัชายนาคือ น, นาทีสำหรับปฏิปทาภาคปฏิบัติมองพ่อแม่เราเนี่ย พวกเราเข้าใจยังไงอาจจะมาสงสัยเฉยๆอยากแกถามว่าท่านเคยสั่งให้เราหายใจลำบาเอาเครื่องช่วยหายใจมาให้เราเคยเคยสั่งไหถ้าไม่เคยสั่งแล้วท่านสั่งยังไงจะพูดถึงเนี่ยจะพูดยังไง ถ้าตรงนี้อปฏิปทาท่านทำเป็นตัวอย่างที่ดีรักษาปฏิปทาตั้งแต่พระพุทธเจ้าพาระฤเจ้าสาวโมกสาวิกาหลวงปู่เจ้าหลวงปู่มันท่านทําตัวอย่างปฏิปทาตรงนั้ น, นเป็นหลักใจของผู้ปฏิบัติใช่ไหมใช่หรือเปล่าเราคิดว่าท่านแดนนักรักษาความดีลักษณะนั้น่ะ ไปเป็นตัวอย่างของผู้ปฏิบัติและทีนี้ยอยากจะถามเหตุเรืเ่อหนึ่งใช่วงสุดท้ายหลักธรรมท่านก็นสอนว่าพราะยาที่เป็นทุกข์าแล้วถ้าเผื่อพวกเราเอา ลาตนาขันของท่านให้อยู่ยืนยาวนานลาตนาขันของท่านอยู่ยืนยาวนานแล้วทาดขันของท่านเป็นอย่างนี้ยังลาตนาไปอีกเอาเอาเครื่องเอ้ช่วยหายใจเดี๋ยวอยากจะปรึกษาว่าคืเป็นการท ร, รมานทั่นหนระืเปล่าถามเสียงเบาๆหนเป็นการท ร, รมานนะั่นหะรืเ ท่านบอกยังไงท่านสอนท่านเตือนยังไงตรงนี้อยากจะฝากข้อคิดกับพวกเราทุกท่านให้ไปช่วยคิดตรงนี้หน่อยได้ัหยเราเข้าใจอยากจ่ท่านอายุเยอยจะนานเป็นร้อยปีร้อยกว่าปีแต่ถ่านอยู่แบบนี้นะ จะเป็นการทรมานท่านหรือเปลสอสังภาพปฏิบัติปฏิบัติธรรม ท, ที่เราอยู่กับผูบาอาจารย์นะท่านตอนเรื่อมสิ่ตรงเนี้สวนสินตามทิกาบทไม่ได้พูดถึงเป็นส่วนใากญาณสังวรสังวรตะวันอารมณ์ที่มันเคียดขึ้นมาเนี่ย มันไปดาลวลางพ่อเพ็ญได้ด่าหลวงพ่อะไรกับรู้เรื่องทะเลาะกันเถียงกั น, ก น, นอนะยานอน่าง น, น, นั้นโมหะโลภะที่ทีบมาได้พระพุปธาภิบาลสอนท่านไม่ได้สอนนะจ๊ะท่านสอนให้สังวรระวม อารมณ์ควมคิดเกตใจสามมันชนถ้าเผื่อพวกเรายอมรับ ว, ว่ามีโลกมีโกรธมีหลงมีตัณหาถ้าเออยอะแต่ยานอยากความอยากไม่มีขอบเขตเดือดเปลี่ยนไปรู้ถูกไม่รู้ขอให้อยากขอให้ตองการเอามันมันตรงประเด็นกับคําสอนของท่านสอนอถ้าไม่ตรง เรื่องน้อยมันจะกลายเครื่องใหเครื่องไม่เคยทะเลาะมันจะกลายเครื่องวุ่นวายหรือเปล่าถ้าไม่จบไปเลยสำหรับเราอยู่ครูบาอาจารย์ไม่มีเรื่องดีนะพราเชื่อท่านฟังท่านฟางท่านดีขั้นต่อตาจานะสังวรตะหังอาล้มพียมันพาให้เกียตเย็ดหรืออาร้มบเพศไหน ยิ่งแรอบควหลงพาชิตหรือเป่าควหลงพาชิตนึกถึงคําตอนที่ทออ่านสอนถ้านสอนยังไงศาตร์ จ, จะทําท่านบ้าอย่างไรถ้ารักตนนี้ละนั้นหรือถ้าเข้าใจลักษณะเนี่ยแล้วน่งเข้าสู่ภาพปฏิบัติเอออดอมมันเกิดจับภาพไป เอกลักษณะสิอนอีกลักษณะหนึ่งที่เข้าสู่ภาคสมาธิอันนั้นสินคือความปกติอะไรปกติใจเมื่อตั้งใจฟังในขณะที่นั่งสมาธิท่านฟังเออท่านเออท่าท่านท่านสอนน่ะนั่งสมาธิฟังท่านสอนน่ะสินคือความปกติกายปกติใจมาจามัได้พูด เออกายปกตินั่งนิ้มจมูกปกติดิเส้นคือความปกติใจใจปกติก็ตั้งเตติดูใจเออใจปกติเป็นอย่างนี้ใจไม่ปกติเกินพีแล้วไม่ปกติหน่อยยิ่งผิดมาก พิษลักษณะของติดนะฮะเท่าเต็นคือความคือความปกติปกติกายปกติใจนอกจากพิษสังวรนบันบงอารมณ์ที่มันคิดแ้วนะเต็นคือความปกติปกติใจเนี่ยฟังเข้าใจตรงนี้อะีะเนี่ยใจปกติทกองอริยบทเลยที่เนี่ย เจินเดินนั่งนอนจะเดิ น, ด น, น, ง น, น, จ, ดนจงกรมจะนั่งสมาธิทุกอรีรบททุกการทุกเวลาเว้นไว้แต่นอนหลับเราอาารมณ์ลักษณะของสิ่คือความปกติใจที่เนี่ยทุ ก, กนาจิตทุกลมหายใจเขาออกเรารักษาอันนี้น่ะ อันนี้คือรักษาคําสอนของครูบาอาจารย์รักษาคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติทั้งรักษาดั้งปฏิบัติและทีเนีเมื่อเข้าใจลักษณะนีน้ท่านจะโยตามพระเตกุบาอาจารย์จะหมายก่อน <c oughs> บางช่วงบางระยะท่านรับที่มอนนาไปเป็นอาเทตยนสองอาเทียน หรือสองวันสามวันสี่วันห้าวันท่านจะไปดิบมกินดิมนเราก็ทำความเพียรเหมือนที่ท่านบอกศีลเป็นหลักใจดูลักษณะของสินธรรมใจศีลคือความปกติท่านออกจากวัดไปแล้วแล้วก็ดูใจของเราทุกทอริยบทเดินเดินนั่งนอนเดินโวกรมนั่งสมาธิ รักษาความปกติดีของจิตใจอยู่ลักษณะนั้นน่ะเถิงท่านจะออกจากวันไปกเหมือนหรือคุณบาอาจารย์โยงกับเราท่านจะไปกี่วั น, ก, วนกี่วันกี่วันกเหมือนคุณบาอาจารย์โยงกับเราใจปกติดีความดีเป็นพื้นฐานอความปกติเป็นพื้นฐานของใจ ไปใชเอ่ฝึกสมาธิใช้คําบวิกรรมมันจะต่อเนื่องเลยะเนี้ยต่อเนื่องให้ใจมีสมาธิมีจิตมีสมาที่มีความทุกเพราะใจพื้นฐานของใจสินเป็นพื้นฐานเนี่ยทําให้ใจเป็นปกติใช้กับบวิกรรมพุทธความเดียต่อเนื่องเข้าตูว ความสงบอกกันง่ายเลอันนี้พืะปนักาการฝเอาำไปเจ้าเนี่ยเรานำมาฝึกตรงเนี้ยท่ามกลางถาง้าเนิมผาป่าเขาลุกมลลมไม้ จะมีหมูมีพึกพวกผ่านเนรน้อยก็ตามมากก็ต่างต่างท่านต่างองค์ต่างเข้าใจลักษณะเสรคือความปกติใจปกติกายปกติใจทําธุระกิจวัตรเสร็จแล้วเข้าที่เถึงเดือนเดียวกองไขของเราเราทําลักษณะนี้ครูบาอาจารย์จะอยู่แล้วก็ทำอย่างนี้ครูบาอาจารย์ไปธุระแล้วก็ทำอย่างนี้ไปกี่วันกี่วัน ก็เหมือนครูบาอาจารย์สู่กับเรามันตรงประเด็นเป๊ะในกขั้งพุทธกาลนะนะขั้งพุทธกาลครับพทธเจ้าบอกร่วมหน้าไว้แล้วว่าเจี๊ไม่เจี่เดือนเนะี่ยตถาก็จะเสด็จเข้าถู่ปฏิปัณธ์จับกันก็ถาสู่ปฏิปานธ์พระนน้อยใจนะที่โอ้ยข่าพระองมก็อยากเป็นเอ่อยังไม่เดร็จําเร็จ ยังเป็นปัญญาชนทำยังไงพ ร, ระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาขันก็ถูกสฏิพัตนแล้วจใจข้าพระองค์เอาใครเป็นาศาสดาเอาอะไรเป็นกูเป็าานอาจารย์สอนข้าพระองค์ยังไม่ได้พ้นจากทุกเลยถ้าพุทธเจ้าว่ากับพน้นยังไงนี่อาดา ถึงมัตรถาคตที่จะเด็จดับขันเข้าสู่ปริฐานมันยังปฏิเดินผ่านไปแล้วกว่าจนแต่คําสอนของสาตราคตทุกบทบาทอันนั้นแทนองค์มาตรฐานเข้ามาเป้เลยกับย่างนิรวานวนะครูบาอาจารย์โ ย, ยหรือไมโยก็ต า, ามทั้งสอนใหนอ่ภอมนาพุทโธ ท, ทั้งสอนในมีสิสที่เคอความปกติกายปกติใจทั้งรวมกายวาจาใจ ทั้งโอย่อรีบททุกับอียุบทเว้นไว้แต่นาดับคูปอาจานอยู่แล้วก็แล้วก็ทำก็อยู่แบบนั้นกูปอาจานเดียบรัชราชอื่นกันแล้วก็ทำกันอยู่แบบนั้นก็เหมือนกูาอาจานอยู่กับเราอยู่ทุกระกับตายิ่และนี้เงนปีอันนี้เป็นหลักใจนะไม่ต้องไปห่วงเลยนะสัจจะธรร ของสภาวะธาตุสภาวะธรรมสภาวะขันเนี่ยพวกเราก็ได้ยินในฝั่งนั่นส่วนสารยาจุดด้วยซ้อชาติปดตุกะยาลาปดาปาตุกะปัญญาปดตุกะมรณะปดตุกะชุดตรงนั้นเถิงที่สุดแทนสภาวะธาตุสภาวะ ธ, ธ, ธรรมสภาวะขันที่ตรงตัวไม่ได้ เหลือไม่ใส่ของแพทย์ของหมอเหลือไม่ใส่ของผ่าลูกพระหลานญาติยมที่เป so ็นลูกลานป็นเหลือไม่ใส่แล้วทำาะไรก็ต้องยอมรับความจริงแพทย์หมอลูกหลานพระเรีนลูกหลานญาติยมปฏิบัติเพื่อผูชาพระคุณของพ่อแม่ของเราหมดความสามารถแล้วฟังข้อเจ็ด ความเมตตาธรรมของท่านท่านสอนให้ปฏิบัติท่านยังไงฟังตรงนี้ทั้งหน่อยได้ไหมพวกเรายอมรับความจริงตรงนี้ทั้งหน่อยได้ไหมถ้ายอมรับความจริงแล้วอะ่ะจะกี่ร้อยกี่พันกี่มื่นองกี่ร้อยกี่พันคนมันจะอยู่จุดเดียวกันเลยไม่มี อะไรอ่ะความคิดแตกต่างถ้าเป็นความคิดแตกต่างล้วอยากจะขอให้ครบข้ขอคิดตรงนี้ตั้งหน่อยวัดของเรานี่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศทั่วโลกนะช่วงรายะนี่อ่ะควรจะให้ ต่างท่านต่างองค์ต่างท่านต่างคนแสดงออกต่างปฏิปทาท่านให้เป็นตัวอย่างที่ดีทั่วประเทศชาวพุทธปฏิบัติทั่โรคจจดีที่สุดเลยใช่ไเมเป็นที่นั่งขอฝากข้อคิดไว้ตรงนี้สนะมอเรียพูดตามเจตีปัญญาที่ มีอะไรนิดหน่อยมาให้ข้อเจ็ดแก่บรรดาพวกเราทุกท่านปากไว้เป็นข้อเจ็ดเฉยๆหรอกถ้าเพื่อพวกเรานำเป็นข้อเจ็ดนำมาเจ็ดพิจต น, นาตรงเรื่องอัตามาเหนะ็นผมในาการฝึกการปฏิบัติตรงนี้นะมันตรงประเด็นกับคำสอนของพ่อแม่ของเรากับพระพุทธเจ้าสอน เงียบสงบอกบดดดดดดอุ่นในทีพเป็นพสมฆองค์เดนโรคผิดโูกขาอุบาจกอุบาหิกาจะดีมากปีน้อยกำฟังเบวาเงียบสงบสงบอกอุ่นเย็น อ, อกเย็นใจเธอทดนปฏิบัติบูชาพระคุณของครูบาอาจารย์พระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระลแต่เดาๆไอเรื่องไม่ใจเรื่อง นำมาเข็มมาเปลี่ยนเพียบคติปฏิปทาอย่างนี้เราไว้บังแต่นั่นงจาองดูวลาเห็นว่าพอจังหวะแก่เวลาขออยู่ที่ไว้เพียงแก่นี้